การจะทำอะไรให้สำเร็จลุร่วงไปตามเป้าหมายได้นั้นไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมก็ดีจำเป็นที่จะต้องมีคุณธรรมสี่ประการด้วยกันที่เรียกว่าอิทธิบาทสี่อิทธิแปลว่าความยิ่งใหญ่ บาทแปลว่าทางเดินทางเดินสู่ความยิ่งใหญ่คืออิทธิบาทสมีอยู่สี่ประการด้วยกันคือหนึ่งฉันทะความยินดีสองวิริยะความอุตสาหาภาคเพียรสามจิตตะความ แน่วแน่ตั้งมั่นของจิตใจละสีวิมังสาความคิดใข้ครวนนี่คือคุณธรรมสี่ประการที่ผู้ที่ต้องการพบกับความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการงานทางโลกหรือการงานทางธรรม จำเป็นจะต้องสร้างคุณธรรมสี่ประการนี้ขึ้นมาให้ได้ถ้ามีคุณธรรมสี่ประการนี้แล้วรับรองได้ว่าสิ่งที่เราต้องการเราจะสามารถทำให้มันสำเร็จได้ถ้าเราเช่นทางโลกถ้าเราอยากจะได้รับปริญญาเอก เรียนสูงสูงเรืยว่าอยากจะได้เป็นหมอเป็นวิศวกรอยากจะเป็นนายกอยากจะเป็นจอมพลนายพลตำแหน่งสูงสูงต่างๆอยากจะเป็นมหาเศรษฐีเราจำเป็นที่จะต้องมี อิธิบาตสี่ประการนี้ถ้าเรามีอิธิบาตสี่ประการสิ่งที่เราต้องการก็จะตามมาอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับทางธรรมถ้าเราต้องการที่จะได้มรรคผล น, ผนิพพานได้สมาธิได้ปัญญาได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆ เราก็จำเป็นที่จะต้องมีอิทธิบาทีมีความยินดีต่อการต่อการงานที่เราต้องทำมีความอุตสาหะภาคเพียนพยายามที่จะทำงานนั้นให้สำเร็จลุล่วงไปมีจิตใจที่จดจ่อตั้งมั่นอยู่กับงานที่ต้องทำและ มีจิตใจมีความคิดใคร่ครวนอยู่กับการงานเพลงอย่างเดียวนี่คือคุณธรรมที่จะทำให้เราสามารถบรรลุผลที่เราต้องการได้เช่นเราอยากจะเรียนสูงๆเราก็ต้องมีความยินดีกับการเรียนกับการไปโรงเรียน กับการเรียนหนังสือกับการทำการบ้านคือเราต้องชอบต้องยินดีเมื่อเรามีความชอบมีความยินดีแล้วความขยันหมั่นเพียรมามันจะตามมาเองจะขยันไปโรงเรียนขยันดูหนังสือขยันทำการบ้านแล้วก็จิตใจก็จะจดจ่ออยู่กับการเรียนเพียงอย่างเดียว จะไม่ไปสนใจกับการกระทำอย่างอื่นจะไม่ไปเล่นไปเที่ยวไปทะเลทลายทำอะไรอย่างอื่นเอาเวลาทั้งหมดนี้ทุ่มเทให้กับการลริ่มเรียนไม่สนใจกับเรื่องอื่นียกว่าจิตตาใจจดจอ่อตั้งมั่นอยู่กับงานที่ต้องทำเช่นการเรียนหนังสือ วิมังษาใจก็คิดใคร่ควรอยู่กับเรื่องการเรียนเท่านั้นเรียนวิชาอะไรดีเรียนอะไรเพิ่มเติมเรียนวิชานี้คะแนนไม่ดีทำอย่างไรให้คะแนนดีขึ้นไปเรียนพิเศษหรือไปหาเพื่อนที่มีความรู้ในวิชานี้ให้ช่วยสอนให้ เรียกว่าไข้ควรคิดใข้ควรอยู่กับเรื่องของการเรียนไม่คิดว่าจะปีใหม่นี้จะไปเที่ยวไหนดีโรงเรียนเป็ดจะไปทาอะไรดีไปเที่ยวที่ไหนดีไปเล่นที่ไหนดีไปชอปปิ้งที่ไหนดีความคิดเหล่านี้จะไม่มีอยู่ในใจของผู้ที่มีอิทธิบาทสมีวิมังษา ก็จะคิดอยู่กับงานที่ต้องทำเท่านั้นถ้ามีการกระทำมีคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้แล้ว <c oughs> <c oughs> การล่ำเรียนก็จะเจรินก้าวหน้าจะเรียนไปได้คะแนนดีเลื่อนชั้นขึ้นไปตามลำดับจนในที่สุดก็จะถึงเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ เพราคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้เป็นเหมือนเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนรถยนต์อิธิบาสีนี้เป็นเครื่องยนต์ของจิตใจของผู้ที่ต้องการที่จะได้อะไรสักอย่างหนึ่งต้องมีเครื่องยนต์เป็นผู้ขับเคลื่อนพาไปในทางธรรมก็เช่นเดียวกัน ถ้าอยากจะบรรลุมรรคผล น, ผนิพพานอยากจะอยากจะบรรลุเป็นพระอริยะบุคคลขั้นต่างๆขั้นพระโสดาบันขั้นพระสะกิดาคามีขั้นพระอนาคามีขั้นพระอาหารหันต์ก็ต้องมีความยินดีต่อธรรมยินดีต่อการศึกษาธรรม ยินดีต่อการปฏิบัติธรรมถ้ามีความยินดีแล้วก็จะมีความเพียรพยายามความขยันหมั่นเพียรที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติถ้าชอบอะไรแล้วมันจะขยันทำในสิ่งที่ที่ชอบถ้าไม่ชอบไม่ยินดีมันจะไม่มีความขยนันไม่มีความเพียรไม่อยากจะทำ เพราะไม่อยากจะทำในสิ่งที่ไม่ชอบถ้ามีความชอบมีความยินดีมีฉันทะแล้ววิริยะความอุตสาหะภาคเพียรจะตามมาจิตตะวิมังสาจะตามมาจิตใจจะจดจ่ออยู่กับการศึกษากับการปฏิบัติธรรมวิมังสาก็จะคิดอยู่กับเรื่องของการศึกษาเรื่องของการปฏิบัติธรรม ถ้ามีการศึกษามีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่มีการหยุดอมีการทําอย่างสม่ําเสมอไม่ช้าก็เร็วก็จะได้บรรลุ ถ, ถึงผลที่ต้องการอย่างแน่นอนการที่จะทําให้เราเกิดมีความยินดีในธรรมนี้ทําอย่างไรเราก็ต้อง ได้ยินได้ฟังธรรมได้ยินได้ฟังประโยชน์ที่เราจะได้รับจากธรรมที่เราที่เราจะปฏิบัติถ้าเราไม่รู้ว่าธรรมนี้มีประโยชน์อะไรกับเราเราก็อาจจะไม่เกิดมีความยินดีเพราะไม่รู้ว่าได้มาแล้วจะจะได้อะไรมาได้มาแล้วไม่รู้ว่า เป็นของที่ดีหรือไม่ดีมีประโยชน์กับเราอย่างไรหรือไม่ถ้าเรายังไม่รู้คุณค่าของธรรมที่เราจะได้รับนี้มีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรกับเราเราก็จะไม่มีความยินดีเมื่อไม่มีความยินดีก็จะไม่มีความภาคเพียรไม่มีความจดจอ่ออยู่กับธรรม ไม่มีความคิดค่ายควรเกี่ยวกับธรรมก็จะไปทําอย่างอื่นแทนผู้ที่ไม่สนใจธรรมแสดงว่าเขาไม่ยินดีในธรรมผู้ที่สนใจทางทางโลกก็แสดงว่าเขาไม่สนใจในทางธรรมเขาสนใจในการที่จะไปหาเงินหาทองอ เขาสนใจอยากจะเป็นเศรษฐีอยากจะร่ำรวยพอเขาเห็นคุณค่าของเงินทองว่าได้มาแล้วเขาจะสามารถซื้ออะไรต่างๆได้มากมายกายกองทําอะไรได้มากมายกายกองมีความสุขมากมายกายกองก็เลยทําให้เขายินดีในการหาเงินหาทอง แต่ทางธรรมนี้เขาไม่รู้ว่าได้มาแล้วจะมีคุณมีประโยชน์อย่างไรกับเขาเขาก็เลยไม่ได้มีความยินดีไม่มีฉันทะพอไม่มีฉันทะเขาก็ไม่มีวิริยะความอุตสาหะภาคเพียรไม่มีจิตตะความแนวหน้าต่อธรรมต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติธรรม ไม่มีความคิดค่ายควรถึงธรรมถึงการศึกษาถึงการปฏิบัติธรรมถ้าไม่มีอิทธิบาสี่ในทางธรรมก็จะไม่มีความไม่มีทางที่จะได้บรรลุถึงผลของธรรมได้นี่คือสิ่งที่สิ่งที่จะทำให้เกิดความยินดีนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร เราก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมีคุณมีประโยชน์กับเราอย่างไรนั่นเองเราก็ต้องไปฟังจากผู้ที่ได้เห็นคุณค่า mm hmm. เห็นคุณประโยชน์ถ้าเราอยากได้ธรรมะเราก็ต้องไปหาผู้ที่ได้ผลได้ประโยชน์จากธรรมะให้เขาอธิบายให้เขาบอกคุณค่าของธรรมถ้าเราต้องการธรรม เราก็ต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่า น, นั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะเป็นผู้ที่จะบอกคุณค่าคุณประโยชน์ของธรรมให้กับเราถ้าเราต้องการรู้จักคุณค่าของเงินทองเราก็ต้องไปคุยกับพวกเศรษฐีพวกที่เขามีเงินมีทองเขาก็จะบอกคุณค่าของเงินของทองว่ามีเงินทองแล้วจะสามารถ ทำอะไรได้บ้างมีอะไรได้บ้างมีความสุขมากมายขนาดไหนคือเราต้องได้ยินคุณสมบัติได้ของสิ่งที่เราต้องการเหมือนกับที่เราได้เห็นการโฆษณาต่างๆของสินค้าต่างๆสินค้าต่างๆที่เขาเอามาขายถ้าไม่มีการโฆษณาไม่มีการบอกคุณสมบัติ ไม่ได้มีการาชี้แจงถึงคุณประโยชน์ของสินค้านั้นผู้บริโภคก็จะไม่รู้ว่าสินค้านั้นมีคุณค่ามีคุณประโยชน์อย่างไรก็อาจจะไม่มีความสนใจไม่มีความยินดีที่อยากจะซื้อสินค้าอันนั้นแต่ถ้ามีการโฆษณาบอกคุณประโยชน์ของสินค้าว่าสินค้านี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ เช่นรถยนต์ที่เขาโฆษณากันสินค้าต่างๆที่เขาโฆษณากันเราจะบอกถึงคุณสมบัติอันวิเศษของสินค้าเหล่านั้นว่าสามารถจะทําอะไรอย่างใดได้บ้างพอผู้ที่ได้ดูโฆษณาแล้วก็จะเกิดความสนใจเกิดความยินดีที่จะซื้อสินค้านั้นพอมีความยินดีก็จะมีความเพีย ที่จะไปซื้อสินค้าใจก็จะคิดถึงแต่สินค้าอันนั้นตั้งมั่นอยู่กับการที่จะไปซื้อสินค้านั้นมาใช้นี่คือเรื่องของอิทธิบาทสีถ้าอยากจะทำอะไรให้สำเร็จรูร่วงไปได้จำเป็นที่จะต้องมีอิทธิบาทสีและองค์ประกอบที่สำคัญองค์แรกก็คือฉันทะ ความยินดีการที่จะทำให้เกิดความยินดีได้เราต้องรู้ถึงคุณประโยชน์ของสิ่งที่เราต้องการถ้าเราไม่รู้คุณประโยชน์เราก็จะไม่ต้องการสิ่งนั้นถ้าเราอยากจะรู้คุณประโยชน์ของธรรมว่าวิเศษอย่างไรประเสริฐอย่างไรก็ต้องได้ยินได้ฟังโฆษณา ของของธรรมผู้ที่จะเป็นพรีเซนเตอร์ของโฆษณาของธรรมก็คือพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสาวุกของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสงสาวุกก็ดีท่านเป็นผู้ที่ได้สัมผัสกับธรรมแล้วท่านเห็นคุณค่าของธรรมว่า มีคุณมีประโยชน์อย่างไรท่านรู้ว่ารถแห่งธรรมในชนะรถทั้งปวงท่านรู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมีที่จะให้ความสุขเท่ากับความสุขที่จะได้รับจากธรรมคือการทำใจให้สงบนัตติสันติปรังสุขขังสุขเอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มี อันนี้เป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าของพระธรรมคำสอนของพระอริยสงสาวกเท่านั้น บ, บุคคลเอย น, นี้จะไม่รู้เรื่องของธรรมจะไม่รู้เรื่องของรถแห่งธรรมว่าชนะรถทั้งปวงจะไม่รู้ว่าความสุขที่เหนือกว่าความสงบไม่มีความสงบนี้ก็เกิดจากของการ เกิดจากการศึกษาและเกิดจากการปฏิบัติธรรมนั่นเองถ้าได้ศึกษาได้ปฏิบัติแล้วผลของการปฏิบัติก็คือความสงบของใจที่เป็นความสุขเหนือกว่าความสุขทางปวงถ้าเราได้พบกับพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็ดีจากพระอริยสงสารุกรดีหรือในสมัยนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าแล้ว แต่ถ้าเราได้อ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นพระสูตรต่างๆที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกอันนี้ก็เหมือนกับได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าโดยตรงเช่น พ, พระสูตรสําคัญต่างๆเช่นธรรมจากกัปปวัตตนสูตรสติปัฏฐานสูตรอนัตตลักษณสูตรมงคลลสูตรเป็นต้น ถ้าเราได้ศึกษาได้อ่านพระสูตรเหล่านี้แล้วมันก็จะทำให้เราเกิดความยินดีในธรรมขึ้นมาเพราะเราจะได้รู้เรื่องรู้จักเรื่องของเราดีมากขึ้นเช่นรู้ว่าเรานี้ไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นจิตใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายตายไป ใจของเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของเราต้องไปรับผลบุญผลบาปที่เราได้ทำไว้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และหลังจากที่เราตายไปแล้วถ้าเรายังมีความอยากต่างๆอยู่ในใจเช่นยังอยากมีความสุขทางตาหูจมูกลิ่นกายยังอยากมีลาบยศสรรเสริญ เราก็ยังจะต้องกลับมาเกิดใหม่พอเรากลับมาเกิดใหม่เราก็จะต้องมาทุก์กับความแก่ทุก์กับความเจ็บทุก์กับความตายใหม่แต่ถ้าเราได้นำเอาคาสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติที่สอนให้เราทำทานให้เรารักษาศีลให้เราภาวนาถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรา ปฏิบัติได้เราก็จะสามารถกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจของเราได้แล้วเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปถ้าเรายังไม่สามารถกำจัดความอยากต่างๆคคอความอยากสามข้อเคยความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเรียกว่ากามตัญหา ความอยากมีอยากเป็นเรียกว่าภาวะตัณหาและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเรียกว่าวิภาวะตัณหาถ้าเรายังกำจัดความอยากทั้งสามนี้ให้หมดไปจากใจไม่ได้เราก็ยังจะต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตาย กลับมาทุกข์กับวิบากกรรมที่เราได้ทำไว้ในอดีตต่อไปทำไปเรื่อยๆตายไปก็จะกลับมาเกิดใหม่ก่อนจะกลับมาเกิดใหม่ก็ต้องไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ตามบุญตามบาปที่เราได้ทำไว้แล้วพอถึงเวลาเราก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายใหม่ นี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ถ้าเราได้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้เราจะได้รู้ถึงคุณค่าของพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราปฏิบัติทรงสอนให้เราทำทานสอนให้เรารักษาศีลสอนให้เราภาวนาเพราะถ้าเราได้ภาวนาแล้วเราจะได้ กำจัดความอยากต่างๆที่มีภายในใจให้หมดไปแล้วเราจะทำให้ใจของเราสงบมีความสุขซึ่งเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขจากการได้เงินมาร้อยล้านพันล้านเป็นความสุขที่เหนือกว่าการได้เป็นนายกได้เป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นมหาจั ก, กรพรรดิเป็นประธานาธิบดี เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้รับโล่ลงวันต่างๆได้รับการเชิดชูสรรเสริญเชิดเกียรติต่างๆเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่เราจะได้รับจากการสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผธพภะชนิดต่างๆพอเราได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วเราจะเกิดฉันทะขึ้นมาทันที เกิดความยินดีความยินดีนี้เกิดขึ้นในสองระดับระดับแรกก็เกิดจากการที่เราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังก่อนพอเราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังว่ามีสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ก็คือทำลดแห่งทำชนะรถทั้งปวงนี่ก็จะทำให้เราเกิดความยินดีขึ้นมาเป็นความยินดีที่ยังไม่ มีน้ำหนักเท่ากับความยินดีที่เกิดจากการที่เราได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมเป็นครั้งแรกหลังจากที่เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาแล้วก็จะทำให้เราเกิดยินดีที่เราอยากจะสัมผัสกับรถแห่งธรรมเราก็จะไปปฏิบัติธรรมกันแล้วพอเราปฏิบัติแล้วเราได้สัมผัสกับธรรมครั้งแรกได้สัมผัสกับความสงบครั้งแรกเพียงครั้งเดียว แม้แต่ชั่วขณะเดียวชั่วแบบงูแลบลิ้นกต็ตามจิตที่สงบชั่วขณะแบบงูแลบลิ้นเนี่ยจะทำให้เราได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่เหนือกว่ารสทั้งปวงจะได้สัมผัสกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงพอเราได้สัมผัสแล้วทีนี้ อิทธิบาสีก็จะปรากฏขึ้นมาในจิตใจของเราดังนั้นถ้าเรายังไม่มีอิทธิบาสีต่อธรรมยังไม่มีความยินดีที่จะศึกษาไม่รู้ว่าธรรมะมีคุณมีประโยชน์อย่างไรมาวัดทําไมมาฟังเทศมาฟังธรรมทําไมเราก็ต้องอบังคับตัวเราให้เข้ามาหา เข้ามาดูโฆษณาของธรรมว่าธรรมนี้มีคุณค่ามีคุณประโยชน์อย่างไรกับชีวิตจิตใจของเราให้เราหมั่นฟังหมั่นฟังเทศฟังธรรมจากผู้รู้จริงเห็นจริงถ้าไปฟังเทศของผู้ที่ไม่รู้จริงเห็นจริงนี่ฟังแล้วบางทีไม่เกิดศรัทธาไม่เกิดความยินดีเพราะฟังไม่เข้าใจ ผู้ที่ไม่รู้จริงเห็นจริงนี้จะเทศหรือสอนแบบฟังไม่รู้เรื่องหรือฟังไม่เข้าใจฟังแล้วก็งงแทนที่จะเข้าใจว่าธรรมะนี้มีคุณมีประโยชน์อย่างไรฟังแล้วกลับไม่เข้าใจก็จะเบื่อจะไม่อยากฟังธรรมแต่ถ้าไปได้ฟังธรรมจากผู้ที่ มีประสบประการมีผู้ที่ได้สัมผัสกับธรรมมาแล้วเช่นถ้าได้ฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าหรือฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการจารึกไว้ในพระไตรปิฎกหรือฟังธรรมจากพระอาหารหันตสาวกที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วถ้าได้ฟังจากบุคคลเหล่านี้ท่านจะโพสให้เรา ได้เกิดศรัทธาได้เกิดความยินดีขึ้นมาอย่างแน่นอนเพราะว่าท่านจะรู้ว่าคุณทรรมนี้วิเศษอย่างไรท่านจะอธิบายให้เราเห็นถึงความวิเศษของธรรมว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำได้เหมือนกับธรรมคือกำจัดความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หมดไปเลยยุติการเวียนว่ายตายเกิดที่เราได้เวียนว่ายตายเกิดกันมาอย่างโชคชนให้มันหมดสิ้นไปไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายซ้ำซากอยู่อย่างที่เรากำลังทำกันอยู่ในขณะนี้อันนี้จะไม่มีใครจะสอนเราได้บอกเราได้นอกจากพระพุทธเจ้า นอกจากพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายเท่านั้นที่ท่านจะรู้คุณค่าของธรรมว่าจะทำอะไรให้กับเราได้มากที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำให้กับเราได้ต่อให้มีเงินกองเท่าภูเขาต่อให้เป็นพระมหาจากักรพรรดิเป็นประธานาธิปดีเป็นอะไรก็ตามต่อให้ได้รับรางวัลเกียตรติยศต่างๆมากมายกายกอง ต่อให้มีรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆมาให้เสพให้สัมผัสก็จะไม่สามารถที่จะกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดไปได้จะไม่มีอะไรที่จะมายุดมาหยุดการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราได้นอกจากธรรมเท่านั้นธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้ได้ส่งค้นพบ ก็คือพระนิพานพานพระนิพพานนี้คือธรรมที่พระพุทธเจ้าได้เข้าถึงคือนิพพานนี้ก็คือที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดติกต่อไปคือจิตที่สะอาดบริสุทธิ์จิตที่ไม่มีตัวที่จะไปผักดันให้จิตไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตาย <c oughs> นั่นเองก็คือ จิตที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากตัณหาทั้งสามปราศจากกามตัณหาปราศจากภวะตัณหาปราศจากวิภวตัณหา mm hmm. นี่แหละคือทำที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายได้บรรลุถึงกันและผู้ที่มีความยินดี มีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาต่อธรรมจะได้สัมผัสจะได้เข้าถึงเช่นเดียวกันดังนั้นสิ่งที่เราต้องทาถ้าเรายังไม่มีความยินดีในธรรม <c oughs> ก็คือเราต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ฟังคำสอนฟังคำอธิบายฟังการโฆษณาบรรยายถึงคุน สมบัติอันวิเศษของธรรมให้พวกเราได้ยินได้ฟังกันฟังไปแล้วย่่ยจะทำให้เราเกิดความยินดีที่จะปฏิบัติตอนต้นเราต้องมีความยินดีต่อการฟังธรรมศึกษาธรรมพอเราได้ฟังธรรมแล้วมันก็จะทำให้เกิดมีความยินดีที่จะปฏิบัติธรรมพอเรามีความยินดี เราก็จะมีวิริยะความภาคเพียรมีจิตตะมีวิมังสาที่จะจดจ่ออยู่กับการปฏิบัติธรรมคิดอยู่กับเรื่องของการปฏิบัติธรรมพอเรา <c oughs> ได้ลองปฏิบัติธรรมแล้วได้รับผลของการปฏิบัติธรรมเป็นครั้งแรกมันจะทําให้ความยินดีนี้เป็นความยินดีที่ไม่มีวัน เสื่อมคลายไปความ ด, ดีที่เกิดจากการศึกษานี้ยังมีโอกาสที่จะเสื่อมได้หมดความยินดีได้ถ้าศึกษาแล้วแต่ปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลพอปฏิบัติไม่ได้ผลก็อาจจะเบื่อได้อันนี้ก็แต่ถ้าลองได้ปฏิบัติแล้วจนได้รับผลเป็นครั้งแรกแล้วได้พบกับความสงบเป็นครั้งแรกแล้ว จะไม่มีวันเบื่ออีกต่อไปจะมีแต่ความยินดีที่จะทำให้ที่จะปฏิบัติให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้รับความสงบให้มากขึ้นเพราะความสงบที่ได้สัมผัสครั้งแรกนี้เป็นชั่วแค่งูแลบลินเท่านั้นเองเป็นเหมือนกับการได้ชิมรสอาหารเพียงหยดเดียวหยดแกงหยดหนึ่งพอได้สัมผัสกับหยดแกงแล้วก็รู้สึกว่าอร่อย รับประทานทีนี้ก็จะสั่งแกงนั้นมารับประทานอยู่เรื่อยๆจะหาแกงนั้นมารับประทานอยู่เรื่อยๆฉันใดถ้าเราลองได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมเป็นขั้งแรกแล้วความยินดีคือฉันทะนี้จะเพิ่มพูนพลังขึ้นมาและจะไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดวิริยะความภาคเพียรก็จะตามมา จิตตะจิตใจจะจดจ่ออยู่กับการปฏิบัติธรรมก็จะตามมาวิมังสาความคิดถึงการปฏิบัติธรรมก็จะตามมาจะไม่คิดถึงเรื่องอื่นจะไม่คิดเรื่องไปเที่ยวเรื่องไปหาเพื่อนเรื่องไปทำหาเงินหาทองไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายไม่คิดถึงเรื่องที่จะไปช้อปปิง้งไม่คิดถึงเรื่องของการที่จะไป ดูภาพรปโยน์ไปฟังเพลงไปทำอะไรต่างๆที่คนในโลกเขาทำกันอยู่อย่คิดอยู่เพียงอย่างเดียวว่าจะไปปฏิบัติธรรมจะไปนั่งสมาธิจะไปทำใจให้สงบเพราะไม่มีอะไรที่จะมีความสุขเท่ากับความสงบที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมนี้เองนี่คืออิธิบาทสีที่จะ เป็นนิธิบาตแบบที่ไม่เสื่อมจากเราไปถ้าเราได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมเป็นครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นนี้ความยินดีจะมีมากขึ้นความเพียนจะมีมากขึ้นความจดจ่อตั้งมั่นอยู่กับธรรมก็จะมีมากขึ้นความคิดค่าควรเกี่ยวกับเรื่องของธรรมก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้ามีอิธิบาสี่แบบนี้แล้วเดี๋ยวก็จะได้ บรรลุถึงผลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุอย่างแน่นอนดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับประกันไว้แล้วว่าถ้าลราได้สัมผัสลดแห่งธรรมแล้วเนยไม่ถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีจะต้องได้รับได้บรรลุถึงพันนิพพานอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องของคุณธรรมสี่ประการ ที่เราควรที่จะสร้างขึ้นมาให้ได้สร้างขึ้นมาด้วยการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆมันอ่านหนังสือธรรมะอยู่เรื่อยเมื่อฟังแล้วเราก็จะได้รู้ไว้วิธีของการปฏิบัติว่าเราต้องปฏิบัติอะไรบ้างพอเรารู้แล้วเราก็นําออกไปปฏิบัติ พอปฏิบัติแล้วเราก็จะได้สัมผัสกับผลที่เกิดจากการปฏิบัติเนีพอเกิดผลขึ้นมาแล้วก็จะเกิดความยินดีที่จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆให้ผลนี้มีอยู่กับเราตลอดเวลาเลยผลคือความสงบเนี่ยถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆเราจะสามารถมีความสงบได้ตลอดเวลา24ชั่วโมง ไม่ว่าเราจะอยู่ในอิรยาบทไหนไม่ว่าเราจะเข้าสมาธิหรือไม่เข้าสมาธิความสงบของใจที่เกิดจากการปฏิบัตินี้จะมีอยู่กับเราไปตลอดเวลาจะไม่มีเวลาไหนเลยที่จิตของเราจะมีความทุกข์จะมีแต่ความสุขตลอดเวลาเพราะเราปฏิบัติอย่างต่อเนื่องปฏิบัติแบบ เต็มที่นั่นเองผลก็จะปรากฏขึ้นมาเต็มที่อย่างแน่นอนดังนั้นเราต้องหมันฟังเทศฟังธรรมศึกษาอยู่เรื่อยๆเมื่อศึกษาแล้วรู้แล้วว่าเราต้องทำอะไรก็เราก็ต้องทำถ้าเราไม่ทำผลมันจะไม่เกิดการศึกษานี้เพื่อให้รู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพราะถ้าเราไม่ศึกษาแล้วเราไปปฏิบัติเราจะปฏิบัติแบบผิดผิดถูกๆแล้วผลก็จะไม่ปรากฏพอผลไม่ปรากฏก็จะเกิดความเบื่อหน่ายความทอ้อท้อถอยอก็จะไม่อยากจะปฏิบัติต่ตอไปก็จะล้มเลิกได้แต่ถ้าเราได้ศึกษา รู้แล้วว่าเราต้องปฏิบัติอะไรต้องทำอะไรก่อนอะไรหนังเพราะธรรมะนี้ก็เป็นเหมือนการขึ้นบันไดการปฏิบัติธรรมนี้ก็เป็นเหมือนกับการเดินขึ้นบันไดที่จะต้องขึ้นไปที่ละขั้นจะข้ามขั้นตอนไม่ได้ถ้าข้ามขั้นแล้วมันจะข้ามไม่ได้นั่นเองข้ามก็จะไม่สาเร็จ แต่ถ้าเราได้ศึกษาเราก็จะได้รู้ขั้นตอนของการปฏิบัติว่าจะต้องมีอะไรบ้างเริ่มต้นจากที่ตรงไหนไปก่อนทมที่พระเจ้าสอนก็ให้เราเริ่มต้นจากการให้ทานก่อนเพราะอะไรเพราะว่าเรามีเงินทองกันทุกคนและเรามักจะเอาเงินทองเอาไปใช้ในทางที่เป็นโทษกับจิตใจไม่ได้เป็นการเป็นใช้ให้เกิดประโยชน์กับจิตใจ S <S อะไรที่เป็นประโยชน์กับจิตใจก็คือการทำบุญทำทานนี่เองเพราะว่าการทำบุญทำทานนี้เป็นเหมือนกับการให้อาหารกับจิตใจส่วนการเอาเงินไปใช้ตามความอยากต่างๆตามความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เรียกว่าการมั่นหาหรือความอยากมีอยากเป็นที่อยากสวยอยากงามก็ไปซื้อของสวยๆ ง, งามๆ มาสวมใส่มาตบมาแต่งร่างกายให้ดูสวยงามเรือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่ให้ร่างกายไม่สวยพอเกิดสิวก็เกิดฝ้าขึ้นมาก็ต้องไปหายาหาเครื่องสำางมาคอยกาจัดมันอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการใช้เงินเพื่อไปสนับสนุนกามตัาหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหานั่นเอง ซึ่งก็เป็นเหมือนกับการไปซื้อยาเสพติดการซื้อยาเสพติดนี้ไม่มีประโยชน์กับร่างกายเสพเพียงแต่ทำให้มีความสุขประเดียวประดาวเท่านั้นเองแต่ร่างกายจะสู้้อมร่างกายจะหิวโหยและร่างกายจะตายไปได้ถ้าเสพต่ยาเสพติดไม่ซื้ออาหารมารับประทานส่วนการทำบุญนี้เป็นเหมือนกับการ ซื้ออาหารมาให้กับใจเวลาทำบุญทำทานแล้วใจจะรู้สึกอิ่มมีความสุขมีความพอจะทำให้รั ง, งับความอยากคือกามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาได้จะไม่มีความคิดอยากจะไปเที่ยวไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆหรือไปซื้อเครื่องสำอางซื้ออะไรมาเสริมความงาม หรือซื้ออะไรมากำจัดความไม่งามของร่างกายออก็จะทำให้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับเรื่องของการ เ, ออเสริมความงามของร่างกายหาความสุขทางร่างกายออใจก็จะมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินทองต่อไปออถ้าเอาเงินทองไปใช้ตามความอยาก ก็จะต้องใช้อยู่เรื่อยๆเพราะว่าความอยากมันไม่ได้หมดพอซื้อแล้วก็อยากจะซื้ออีกพอไปเที่ยวแล้วก็อยากจะไปเที่ยวอีกก็จะทำให้ต้องไปหาเงินมาอยู่เรื่อยๆเมื่อต้องไปหาเงินเพื่อมาใช้เงิน mm. ก็จะไม่มีเวลาที่จะไปปฏิบัติธรรมขั้นที่สูงกว่าต่อไปได้คือไปรักษาศีลไปภาวนาไปปฏิบัติธรรม แต่ถ้าเราทาบุญทาทานอยได้เรื่อย เ, เราจะลดการใช้เงินทองไปเรื่อยคือเงินที่เราเอามาทำบุญทาทานนี้คือเงินที่เราเหลือเหลือจากการที่เราจะต้องใช้กับสิ่งที่จำเป็นเช่นเงินทองส่วนหนึ่งนี่เราต้องมีไว้สำหรับเลี้ยงดูร่างกายของเราไว้ซื้ออาหารไว้จ่ายค่าน้าค่าไฟค่าบ้านอะไรต่างๆถ้าเรามีเหลือ อย่าเอาไปใช้ตามความอยากเพราะมันจะทําให้เราต้องใช้อยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่ใช้ไปตามความอยากเราเก็บสำนองไว้หรือถ้ามีมากเกินไปเราเอาไปทําบุญมันก็จะทําให้ใจเราอิ่มใจเราไม่หิวกับการที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะไม่มีความอยากที่จะไปเสริมความงามต่างๆหรือไปกําจัดอสิวฝ้ากําจัดความ ส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายเราก็จะได้ไม่ต้องใช้เงินทองมากเราก็จะได้มีเวลาเพราะเราจะได้ไม่ต้องไปทำงานมากเราจะได้มีเวลาไปปฏิบัติธรรมขั้นต่อไปก็คือทำขั้นของนักบวชคือไปอยู่วัดหรือไปหาที่สงบอยู่บ้านก็ได้แล้วก็ถือศีลแปด แล้วก็บําเพ็ญจิตตภาวนาที่เป็นธรรมขั้นสูงต่อไปเพื่อจะได้สร้างความสุขของใจให้บีเพิ่มมากขึ้นไปนั่นเองะความสุขที่ได้จากการทําทานนี้มันยังมีไม่มากพอมันมีพอที่จะทําให้เราไม่วุ่นวายไปกับการอไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายไม่วุ่นวายกับการที่จะต้องไปเที่ยว ไปชอปปิ้งไปซื้อของสวยๆงามๆอะไรต่างๆมาเสริมความงามให้กับร่างกายของเรามันช่วยทำให้เรามีเวลาเพราะเราจะได้ไม่เราจะไม่ใช้เงินทองมากเราจะได้ไม่ต้องไปหาเงินทองมากเราก็จะได้มีเวลาที่เอาเวลาที่เราไปหาเงินทองเอาเวลาที่เรา ไปใช้เงินใช้ทองไปกับการไปเที่ยวไปหาความสุขทางร่างกายเราก็จะได้เอาเวลานี้ไปไปหาความสุขทางใจต่อไปไปทําใจให้สงบการจะทําใจให้สงบเราก็ต้องหยุดกิจกรรมทางร่างกายหยุดการหาความสุขทางร่างกายเราก็ต้องใช้ศีลแปดมาเป็นตัวหยุดตัวห้าม ถ้าเราถือสินแตกเราก็จะไม่สามารถหาความสุขทางร่างกายได้เช่นเราจะไม่สามารถไปร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราได้เราจะไม่ร่วมหลับนอนกับใครเราจะไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารจะรับประทานเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอเช่นรับประทานวันละครั้งหรือถ้าจะรับประทาน มากกว่าครั้งหนึ่งก็ไม่ให้รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพราะว่านั่งกายไม่ต้องรับประทานนั่งกายอยู่ได้แล้วถ้าเรารับประทานเพียงครั้งสองครั้งเพื่อเราจะได้มีเวลาหลังจากเที่ยงวันเอาไปทำการปฏิบัติไปสร้างความสุขทางใจสร้างความสงบทางใจด้วยการควบคุมความคิดด้วยการเจริญสติ เพราะไม่มีอะไรจะหยุดความคิดได้นอกจากสติถ้าเราไม่มีสติเราจะหยุดความคิดไม่ได้ถ้าเรายังหยุดความคิดไม่ได้เราก็ต้องสร้างสติต้องเพียรพยายามสร้างสติด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธเพราะนี่เป็นวิธีจะสร้างสติขึ้นมาถ้าไม่บริกรรมพุทโธก็ให้เราเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทําต่างๆของร่างกาย S 1> <S 1> <S <an> <S ให้ผูกใจเราติดอยู่กับร่างกายให้อยู่กับร่างกายอย่าให้ใจไปอยู่ที่อื่นอย่าให้ใจไปอยู่ที่กรุงเทพอย่าให้ไปอยู่ที่เชียงใหม่อย่าให้ไปอยู่ที่โน่นที่นี่ให้อยู่ที่ร่างกายตลอดเวลาใจก็จะได้ไม่ไม่ไปคิดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้ได้นั่นเองถ้าไม่อยู่กับร่างกายก็แสดงว่าไปแล้วไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ ไปอยู่กับคนนั้นคนนี้แล้วไปทางความคิดแล้วเราต้องการดึงความคิดให้กลับมาอยู่ที่ร่างกายพอเมื่ออยู่กับที่ร่างกายมันก็จะไม่คิดอะไรเมื่อไม่คิดอะไรเวลานั่งสมาธินั่งเฉยๆนั่งหลับตาใจก็จะไม่ไปไหนถ้าให้อยู่กับลมหายใจมันก็จะอยู่กับลมหายใจดูลมหายใจเข้าออกไปเพียงอย่างเดียว ไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าอยู่กับลมอย่างเดียวเดี๋ยวใจก็จะนิ่งจะสงบพอสงบแล้วก็จะเกิดความสุขขึ้นมาความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงก็จะเป็นผลที่ปรากฏขึ้นมาพอเราได้สัมผัสกับความสงบก็สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบแล้ว เราก็จะมีพลังมีความยินดีมากขึ้นมีวิรยิยะอุตสาหามากขึ้นใจเราจะจดจ่ออยู่กับเรื่องของการนั่งสมาธิเรื่องของการทำใจให้สงบคิดอยู่คข้ยคน ว, วิธีที่จะรักษาใจให้สงบเพียงอย่างเดียวมันก็จะทำให้การปฏิบัติของเราคืบหน้าก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วแล้วเดี๋ยว เราก็จะสามารถทำใจให้สงบได้ตลอดเวลานี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติเราต้องปฏิบัติจากขั้นที่เราอยู่กันเราตอนนี้เราต้องกาจัดเรื่องการใช้เงินเพื่อไปส่งเสริมความอยากต่างๆเพราะการส่งเสริมความอยากนี้เป็นการส่งเสริมความทุกข์นั่นเอง เพราะความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์เวลาเราส่งเสริมความอยากความอยากมันจะมีกำลังมากขึ้นไปมันจะอยากมากขึ้นไปแล้วเวลาที่เราไม่สามารถตอบสนองความอยากได้ความอยากมันก็จะสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราเช่นเราเคยไปเที่ยวได้เคยมีเงินไปเที่ยวพอวันไหนไม่มีเงินไปเที่ยว เราไม่ได้ไปเที่ยวนี้ใจของเราจะทุกข์จะงดเยียดขึ้นมาทันทีหรือว่าเรามีเงินเที่ยวแต่ร่างกายมันไปไม่ไหวร่างกายแก่หรือว่าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลานั้นความอยากมันก็จะสร้างความทุกข์สร้างความซึมเศร้าสร้างความว้าเหวต่างๆให้กับใจของเรารเราจึงต้องคอยกําจัดความอยากเหล่านี้ โดยการไม่ใช้เงินไปตามความอยากทุกครั้งที่อยากจะไปเที่ยวก็เอาเงินไปเที่ยวนี้ไปทำบุญแทนเอาไปทำบุญทำทานแทนแล้วจะทำให้ความอยากเที่ยวนี้มันลดกำลังลงไปแล้วทำให้เรามีความสุขใจจากการทำบุญทำทานเกิดความอิ่มใจสุขใจเพราะบุญนี้เป็นเหมือนอาหารของจิตใจทำให้เราอิ่ม ทำให้ใจอิ่มทำให้ใจไม่มีความหิวความอยากไปเที่ยวนั่นเองทุกครั้งที่อยากจะไปใช้เงินตามความอยากก็เอาไปทำบุญจนต่อไปเราก็จะเลิกใช้เงินตามความอยากเมื่อเราเลิกใช้เงินตามความอยากเราก็ไม่ต้องหาเงินเมื่อไม่ต้องหาเงินเราก็จะได้มีเวลาไปหยุดความอยากที่ยังเหลืออยู่ให้มันหมดไป วิธีที่จะหยุดความอยากให้มันหมดไปก็ต้องไปปฏิบัติแบบนักบวชไปถือศีลแปดแล้วก็ไปเจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธินี้ก็เพื่อเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบเวลาเดินจงกรมก็ควบคุมใจให้อยู่กับร่างกายหรือควบคุมให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธไปเพื่อที่มันใจไม่ได้ไม่ต้องไปคิดเรื่องต่างๆนั่นเอง พอมไม่คิดเดี๋ยวมันก็จะนิ่งมันก็จะสงบพอสงบแล้วความอยากก็จะหยุดชั่วคราวความอยากพอไม่มีความอยากใจก็จะเบาจะเย็นจะสุขจะสบายใจที่ร้อนนี่เกิดจากความอยากใจที่วุ่นวายใจที่ ก, กังวลกังวยกระสับกระส่ายนี่เกิดจากความอยาก ลองสังเกตดูเวลาเราอยากได้อะไรนี่ใจเราจะ ก, ะกะวลกังวกระสับกระสายหงุดหงิดนำคาดใจคนอยากจะสูบบุหรี่เวลาไม่ได้สูบนี่หงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีคนอยากจะดื่มสุกาเวลาไม่ได้ดื่มอารมณ์หงุดหงิดคนอยากจะไปเที่ยวไม่ได้เที่ยวอารมณ์หงุดหงิดอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้ก็งหงุดหงิดเด็กๆขอพ่อ อยากจะได้ของพอไม่ให้ก็งอแงนง้ำหงุดหงิดไม่ไม่สุขอพอได้ของแล้วก็จะสุขแต่จะสุขเดียวเดียวสุขแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากจะได้ของใหม่อีกแล้วอพอไม่ได้ก็งดหด ง, ง, ง, งิดอีกงอแงอีกเนี่ยนี่คือผลของความอยากทั้งนั้นที่เราไม่ควรที่จะไปส่งเสริม พอเราสามารถมีสติควบคุมความคิดได้หยุดความคิดได้ความอยากมันก็หยุดไปพอความอยากหยุดไปอารมณ์ต่างๆก็หายไปหมดเหลือแต่ความสงบเหลือแต่ความว่างความเย็นความสบายเหลือแต่อุเบกขาอันนี้จะทำให้เรารู้แล้วว่าต่อไปนี้ความสุขของเราอยู่ที่ไหนความสุขของเราอยู่ที่การไม่มีความอยากนั่นเอง พอเราออกจากสมาธิมาพอจิตเราเกิดความอยากขึ้นมาเราจะเห็นอาการของจิตเปลี่ยนไปทันทีจากจิตที่สงบนี้เริ่มกระเพิ่มขึ้นมาทันทีเริ่มมีความรู้สึกกรธเิตียดลำคาญใจขึ้นมาทันทีถ้าเราอยากจะให้จิตเรากลับไปสงบเราก็ต้องหยุดความอยากนั้นทันทีเปลี่ยนความคิดเจะใหม่คิดจะไปกินกาแฟก็อย่าไปคิดถึงมัน อย่าให้มันคิดถึงการดื่มกาแฟามันก็ไม่เดือมมันก็จะไม่งดหยุดนะให้คิดไปทางปัญญาว่าถ้าไปดื่มกาแฟาแล้วเดี๋ยวก็ต้องดื่มไปเรื่อยเพราะว่ามันจะให้ความสุขเราเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเองแล้วมันก็จะกลับมาบังคับให้เราไปดื่มใหม่อยู่เรื่อยเพราะความอยากมันจะไม่หมดไปถ้าเราทําตามความอยากความอยากมันจะหมดก็ต่อเมื่อเราไม่ทําตามความอยาก ปล่อยมันอยากไปแต่เราไม่ดื่มเดี๋ยวมันก็หมดกำลังเองถ้าเรามีสติมีสมาธิเราก็จะทนกับความหงุดหงิดทนกับความลำคาญได้เพราะเราจะสามารถควบคุมความคิดให้มันหยุดคิดได้พอมันหยุดคิดมันก็ลืมเรื่องกาแฟไปความอยากที่จะดื่มกาแฟมันก็จะหายไปความหงุดหงิดมันก็จะหายไปนี่คือขั้นของปัญญา ถ้าเราอยากจะให้ใจสงบเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิเราต้องใช้ปัญญาทุกครั้งที่เราเกิดความอยากเราต้องรู้ว่าการทําตามความอยากนี้เป็นการไปสร้างความทุกข์ไม่ใช่เป็นการสร้างความสุขเป็นความสุขที่เราได้รับเดี๋ยวเดียวแล้วก็ต้องทุกข์เพราะว่าความอยากมันจะกลับมาใหม่แล้วถ้าเราไม่สามารถทําตามความอยากได้มันก็จะทําให้เราทุกข์เนี่ยแต่ถ้าเราไม่ทําตามความอยากได้ ต่อไปความอยากมันก็จะหมดกํำลังถ้าเราคุมมันได้มันอยากเราหยุดมันได้ถ้าเรามีสติมีปัญญาเราหยุดมันให้มันนิ่งให้ใจหยุดคิดอย่าไปคิดถึงสิ่งที่เราอยากแล้วความอยากนั้นมันก็จะหยุดไปแล้วต่อไปมันก็จะไม่มีกําลังที่จะมาสร้างอารมณ์ต่างๆให้กับเราได้ใจของเราก็จะมีแต่ความว่างความเย็นความสบายไปตลอด อารมณ์วุ่นวายต่างๆอารมณ์เศร้าหมองต่างๆอารมณ์หงดีต่างๆอารมณ์นำคาลต่างๆมันจะไม่มีอยู่ในใจต่อไปใจจะเย็นใจจะสบายไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดแล้วใจก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปเพราะเราได้กําจัดความอยากต่างๆด้วยสติด้วยปัญญายามถาวรถ้ากําจัดด้วยสตินี่จะกําจัดได้ชั่วคราว พอสติอ่อนลงกวามอยากก็ความอยากก็จะผล่ขึ้นมาแต่ถ้ากําจัดด้วยปัญญาคือเห็นโทษของความอยากปัญญาก็คือการเห็นโทษของความอยากเห็นว่าการไปทําตามความอยากไม่ได้นําไปสู่ความสุขแต่นําไปสู่ความทุกข์เพราะมันจะสุขตอนต้นแล้วสิ่งที่เราได้ที่ทําให้เราสุขมันจะเปลี่ยนไปหรือหมดไปพอมันเปลี่ยนไปหมดไปเราก็จะทุกข์แล้วเราก็จะอยากหาใหม่ แล้วถ้าหาไม่ได้ก็ทุกข์อีกถ้าหาได้ก็สุขเดียวเดียวแล้วเดี๋ยวก็ทุกข์อีกคือมองด้วยปัญญาเราจะเห็นว่าการทํทาตามความอยากนี้มันจะนําไปสู่ความทุกข์ความสุขนั้นเป็นความสุขปอเป็นความสุ ข, เ, ส ข, สขเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเองนี่คือปัญญาถ้าเห็นอย่างนี้ถ้าเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์เห็นว่าลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายเป็นทุกข์ ก็จะได้ไม่ไปหาลาบยศสารเสริญไม่ไปหารูปเสียงกลิ่นรสอีกต่อไปความสุขอะไรต่างๆผ่านทางร่างกายนี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะร่างกายก็ไม่เที่ยงร่างกายต่อไปก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวลาร่างกายแก่เจ็บตายก็จะไม่สามารถทำตามความอยากได้ใจก็จะทุกข์ไปอยู่เรื่อยๆไม่มีหวนสิ้นสุดจะต้องกลับมาเกิดมาอีก หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วแต่ถ้ายังมีความอยากอยู่ก็จะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่ก็จะตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เกิดใหม่แล้วก็ตายใหม่ไปอย่างนี้ไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่สามารถใช้ปัญญาคำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไปได้แต่ถ้าทุกครั้งที่เราออกจากสมาธิมาเกิดความอยากขึ้นมาเราก็ต้องใช้ปัญญาใช้ตายลักณเข้ามาบอกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์ เพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะว่าเราควบคุมบังคับมันไม่ได้แล้วได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องอยากขึ้นมาอีกได้แล้วก็ไม่พออยากแล้วได้คือก็อยากจะได้สอกได้สอกก็อยากจะได้วาได้เป็นในร้อยแล้วก็จะอยากจะเป็นในพันอยากในพันก็อยากจะเป็ น, น 10, ในหมื่นในพลไม่มีวันสิ้นสุดพอไม่ได้เป็นก็จะทุกข์ขึ้นมาพอได้เป็นแล้วถูกปวดก็ทุกข์อีกเหมือนกัน เพราะนี่มันคืออนิจจังไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเพราะในที่สุดร่างกายก็ต้องตายไปเวลาตายไปสิ่งต่างๆที่หามาได้ถ้าเป็นธาตุตายก็หมดไปลาบยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายก็หมดไปแต่ความอยากไม่หมดความอยากไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากมันก็พาให้ใจกลับมาเกิดใหม่ กลับมาดินใหม่มาหาลาบยศตะลอเสริญมาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใหม่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเนี่ยถ้าเราไม่ใช้ปัญญาสอนใจว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการไปพาเราไปเกิดแก่เจ็บตายพาเราไปสู่ความทุกข์ต่างๆถ้าเราเห็นด้วยปัญญาเราก็จะฝืนความอยากการจะฝืนได้เราก็ต้องมีสมาธิมีสติเท่านั้น ถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิมันฝืนไม่ไหวสู้ไม่ไหวดังน้นเราต้องสร้างสติสร้างสมาธิขึ้นมาก่อนก่อนที่เราจะสามารถใช้ปัญญามาสู้กับความอยากได้นี่คือเรื่องของธรรมะที่เราจะได้เรียนรู้ที่จะทําให้เราเกิดฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาพอเรารู้แล้วว่าพระธรรมของพระพุทธเจ้านี้วิเศษอย่างไรมันก็จะทําให้เรามี ฉันทะมีความอยากจะได้ทำขึ้นมาพอเรามีฉันทะเราก็จะมีความเพียรที่จะเข้าเพียรหาธรรมเพียรปฏิบัติธรรมใจก็เริ่มจดจ่ออยู่กับเรื่องของการปฏิบัติธรรมวิมังสาก็จะคิดอยู่กับเรื่องของการปฏิบัติธรรมพอได้มีอิทธิบาทเสียแล้วการปฏิบัติธรรมก็จะไหลไปโดยอัตโนมัติไม่ต้องบังคับมันจะขับเคลื่อนของมันไปเอง ทุกครั้งที่คิดถึงประโยชน์ที่เราจะได้รับจากธรรมมันก็จะทำให้เราเกิดวิริยะความเกิดชันทะขึ้นมาทันทีดังนั้นเวลาที่ท่านปฏิบัติแล้วเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายต่อการปฏิบัติขอให้คิดถึงผลที่จะเกิดจากการปฏิบัติถ้าไม่รู้ว่าผลของการปฏิบัติมีอะไรก็ไปฟังธรรมจากพระอริยสงฆ์ไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าท่านก็จะบอกว่า ผลของการปฏิบัติธรรมก็คือลถแห่งธรรมที่จะชนะลดทั้งปวงความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงคือความสงบที่เป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมพอได้นำเลิกถึงคุณคุณภาพคุณสมบัติคุณประโยชน์ของธรรมแล้วมันก็จะทําให้เราหายท้อแท้หายเบื่อหน่ายจะทําให้เราเกิดฉันทะวิริยะจิตตวิมังสากลับขึ้นมาใหม่ ท, ทันที นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับเวลาเราท้อแท้เหลือหน่อยเราต้องเข้าหาธรรมต้องฟังเทศฟังธรรมต้องฟังจากธรรมของผู้รู้ผู้ที่บรรนุธรรมแล้วเท่านั้นถ้าไปฟังจากผู้ที่ไม่รู้ไม่บรรนุษย์ทำนี้ท่านจะไม่สามารถปลุกอิกทธิบาทสีขึ้นมาในใจของเราได้ดังนั้นเวลาฟังเทศฟังธรรมต้องฟังก่อนจากพระอริยะจากพระพุทธเจ้าต้องฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเรือฟังธรรมของพระอริยะเท่านั้น ถึงจะทำให้เกิดอิทธิบาสีขึ้นมาแล้วจะทำให้เราสามารถปฏิบัติต่อไปได้ไม่ล้มเหลวไม่ล้มเลิกแล้วเราก็จะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางในที่สุดอย่างแน่นอนจึงขอให้ท่านเพียรพยายามสร้างอิทธิบาสีนี้ขึ้นมาในใจให้ได้ด้วยการฟังเทศฟังธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการบรรุธรรมแล้วรับรองได้ว่าอิทธิบาสีนี้จะปรากฏขึ้นมา เราจะขับเคลื่อนจิตใจให้ได้รับทำอันสูงสุดได้ในลำดับต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวามวะอิโตทินงังเปตานังอุปกา ป, กปติ อิชิตางปฏติตังตุมหางคิว่าเมวะสนิจโตสัพเหตุเริ่ตุสังกปายันโทปนะระโสยถามณิโชติหระโสยถาสัพพิติโยวิวาชานโตสัพพารโควินาสตุมาเตภวัตตะวันตราโยสุขีธีคายุโกภวะ อาพิวาทนสิลิสานิจังวุธาปจายโนจัตตารโธรรมาวาทานติอายุวโนโสุขังภาลางต่อไปนี้เป็นช่องถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามขอเชิญถามได้ในตอนนี้เลย ถามไปได้จนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมหลังจากเลิกแล้วก็ของดการถามถามได้เฉพาะช่วงที่เรายังประชุมกันอยู่ถ้าไม่อยากขึ้นมาถามเองก็ส่งข้อความขึ้นมาเขียนข้อความฝากขึ้นมาเดี๋ยวจะมีคนอ่านให้วันนี้ถามเฟ o บุ๊กยูทู e เข้ามาเท่าไหร่ a c e b o o k สามร้อยสี่ค่ะ y o u t u หนึ่งร้อยสิบเจ็ดและวิทยุสี่ค่ะ อันนี้รู้สึก YouTube จะยืนพื้นนะก็ร้อยกว่า Facebook นี่ก็แล้วแต่วันสาวันอาทิตย์ก็ลดลงวันธรรมดาก็มากเลยมีใครอยากจะถามไหมในศาลานี้ไม่มีไม่มีถ้ามีทางบ้านส่งคำถามเข้ามาก็ลองอ่านดคูคำถามแรกจากทางลน์นะคะ สอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิค่ะขณะทำสมาธิได้พิจารณาการเกิดดับและอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเกิดอาการวูบลงไปร่างกายไม่สามารถขยับได้หนักหน่วงเหมือนหินทับจิตดิ้นทุรนทุรายกลัวจะตายเมื่อพิจารณาต่อไปว่าถ้าจะตายก็ช่างมันปล่อยวางเมื่อจิตนิ่งน้องพิจารณาร่างกายปรากฏว่าโปร่งใสเหลือเพียงความคิดและดวงจิตลอยอยู่เนือกระหม่อม ใสเหมือนฟองสบู่ยิ่งเฉยไม่รับรู้อะไรสภาวะนี้เรียกว่าอะไรเป็นสมถะหรือวิปัสนาและควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปคะมันก็เป็นความสงบความสงบของจิตตาใจเฉยก็เสียว่าใจสงบใจก็สงบได้สองวิธีสงบด้วยสติคือพุโทโธพุธโทโธหรือลมหายใจเข้าออกไม่คิดอะไรเดี๋ยวใจก็สงบ หรือถ้าใช้ปัญญาก็พิจารณาตายรับไปพิจารณานิจังทุกข์ขานัตตาร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอะไรอย่างนี้พอใจปล่อยวางร่างกายได้ใจก็จะสงบได้เหมือนกันก็ให้พยายามทำให้สงบบ่อยๆเวลาเจอปัญหาก็ให้ใช้วิธีนี้แก้ปัญหาเวลา กังวลกับคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็พิจารณาว่าเดี๋ยวร่างกายก็ตายแล้วตายแล้วปัญห า, าต่างๆมันก็จบไปเองให้คิดอย่างนี้แล้วใจก็จะสบายไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆคําถามข้อต่อไปจากทางไลน์ค่ะการที่เราพาหมาแมวจอนจัดไปทำหมันถือว่าเป็นการทําบาปหรือเปล่าเจ้าคะไม่หรอกเพราะเราไม่ได้ฆ่าเขา การทำบาปต้องฆ่าเขาอันนี้เพียงแต่ทำให้เขาไม่ตังคันเท่านั้นเองคำถามต่อไปจากคุณถ้วยฟูค่ะการที่เรารู้สึกว่าชีวิตทางโลกมันก็แค่นี้แต่ชีวิตทางธรรมเป็นทางที่ดีกว่าแล้วถ้าเราออกบวชแล้วทิ้งแฟนเราไว้ทางโลกจะบาปไหมครับไม่บาปหรอกแต่ถ้าทำได้ถักคุยกันได้ก่อนก็ดีหรือหรือเตรียม เตรียมอะไรไว้ให้กับเขาก่อนเพื่อให้เขาไม่เดือดร้อนเวลาที่เราไปเช่นทิ้งสมบัติของเราไอมถ้ามีสักร้อยล้านที่ให้เขาไปเขาไม่เสียใจหรอกเขาดีใจใหมแต่ถ้าไปแล้วทิ้งหนี้ให้เขานี่มันไม่ดีเดี๋ยวเขาต้องไปใช้หนี้ไปแบกภาระหนี้หรือว่าเขาเลี้ยงดูตัวแล้วเขาเองไม่ได้แล้วเราทิ้งเขาไปเขาก็จะลําบากได้ เังนั้นถ้าเราจะทําอะไรต้องคิดถึงผลกระทบกับคนที่เรา ท, ที่ที่จะส่งผลกระทบกับคนอื่นด้วยถ้ายังส่งทําให้เขาลาบากเดือดร้อนเราก็อาจจะต้องหาวิธีบรรเทาวิธีป้องกันหรือระ ง, งับความเดือดร้อนนั้นเป็นก่อนจะไปบวชก็หาเงินให้เขาสักก้อนหนึ่งก่อนอะไรทํำนองนี้เพื่อเขาจะได้อยู่ได้ในช่วงที่เขายังไม่มีแฟนใหม่อ พอเราไปบวชแล้วเขาก็จะมีเวลาไปหาแฟนใหม่พอเขาได้แฟนใหม่เขาก็จะได้คนใหม่มาดูแลเขาต่อไปคำถามข้อต่อไปจากคุณสันติตากราบขออนุ ญ, ญาตเรียนถามเกี่ยวกับสถานที่ที่จะได้เข้าไปทํางานในที่นั้นหรือที่ตรงไหนๆว่าที่เราเคยได้ร่วมทําบุญร่วม เคยผูกพันเคยเกี่ยวเนื่องกันมาก่อนเก่ากับผู้ร่วมงานทั้งเจ้าของทั้งสถานที่ที่เคยผูกเนื่องกันมาก่อนในอดีตชาติแล้วพอถึงการถึงเวลาในปัจจุบันกา้เมื่อไปสมัครงานพร้อมคุณสมบัติทางการศึกษาความสามารถตรงตามที่ที่ทํางานกําหนดจะมีส่วนทําให้ได้รับการคัดเลือกในการทํางานหรือไม่เจ้าคะ มันนี้ก็แล้วแต่คนคัดเลือกอ่ะเขาจะเลือกเอาเราหรือเปล่าบางทีเราเปสนคนสมบัติพร้อมแต่เขาอาจจะไม่เลือกเราก็ได้เพราะอาจจะมีหลายคนที่มีคุณสมบัติพร้อมด้วยกันแต่เขาต้องการเพียงไม่กี่คนเขาก็ต้องคัดเอาคนที่เขาเขาเขาชอบหรือเขาต้องการคนไหนที่เขาไม่ชอบเขาไม่ต้องการเขาก็ ถ้าในอดีตเกิดคนที่เขาเลือกเราเกิดมีมีพันธะกรณีกับเร า, เามีความไม่พอใจกับเรานี่ก็อาจจะมีส่วนทําให้เขาไม่เลือกเราก็ได้แต่ถ้าในอดีตเคยมีความรักความชอบกัน อ, อันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนที่ทําให้เขาเลือกเราก็ไดอ้อันนี้ก็ต้องแล้วแต่บุญแต่กรรมก็แล้วกันเราทําส่วนของเราให้เต็มที่ก็แล้วกันแล้วจะได้ไม่ได้ก็ก็ก ก็ต้องยอมรับตามสภาพไปไม่ได้ที่นี่ก็ไปฐานอย่างอื่นทำํำไปบวชก็ได้ไม่ต้องไปไม่ต้องไปสมัครบวชนี่บวชได้ตลอดเวลาคําถามต่อไปจากคุณถวยฟูค่ะถ้าเรานึกพุทธโธในใจเฉยๆโดยไม่ต้องกําหนดตําแหน่งเช่นปลายจมูกได้แต่คิดในใจเฉยๆได้หรือไม่ครับได้คนจะเป็นอย่างนั้นมันจะง่ายกว่า ไม่ควรจะต้องไปกําหนดเวลาเราใช้คําบริกรรมพุทโธให้อยู่กับคําบริกรรมไปเท่านั้นเองคําถามจากคุณนภพงค่ะเราจะคิดและวางใจอย่างไรเมื่อรู้ว่านายจ้างเอารัดเอาเปรียบเราขึ้นเงินเดือนโบนัสน้อยเกินไปไม่เหมาะสมเจ้าค่ะก็ให้ยินดีตามมีตามเกิดเขาให้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเราเป็นเบี้ยล่างเขาเขาจะให้เราก็ได้ไม่ให้เราก็ได้ ก็เราต้องทำใจไปเท่านั้นเองว่าเราเป็นผู้รับเหมือนพระไปบิณฑบาตใหคิดอย่างนี้เวลาบิณฑบาตพระก็ไม่ได้หวังอะไรจากญาติโยมญาติโยมจะใสอะไรให้เขาใสไม่ใส่ก็ไม่ว่าอะไรเนี่ยคำถามข้อต่อไปค่ะธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมีหลักปฏิบัติง่ายๆได้อย่างไรครับกราบสาธุธรรมครับพระอาจารย์ อ, อ๋ออันนี้เป็นเป็นขั้นขั้นที่สี่แล้วนะก่อนจะไปขั้นที่สี่เอาขั้นที่หนึ่งก่อน การที่หนึ่งก็คือสติให้มีสติอยู่ที่ร่างกายก่อนเราดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปทุกอิเลียบทอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้ใจอยู่กับร่างกายเพื่อจะได้มีสติเพื่อเวลานั่งสมาธิใจจะได้สงบนพอได้ความสงบแล้วถึงค่อยมาพิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเป็นดินน้ำลมไฟ พอปล่อยวางร่างกายแล้วแล้วขึงไปขั้นเวทนาไปพิจารณาเวทนาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปควบคุมบังคับไม่ได้เวลาเจ็บอยากจะให้มันหายเจ็บไม่ได้ต้องปล่อยให้มันเจ็บไปถ้าไปอยากให้มันหายเจ็บมันจะทุกทรมานใจถ้าไม่อยากจะทุกทรมานใจก็ต้องยอมรับความจ ร, ริงของเวทนาว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันมามันไปตามเรื่องของมันไปสั่งมันไม่ได้ครับ พอเราเข้าใจเราก็จะปล่อยวางเวทนาได้เราก็จะไม่ทุกข์แล้วเราถึงไปขั้นจิตอีกทีหนึ่งขั้นจิตก็คือเราต้องดูจิตว่ามันเป็นไม่เที่ยงเหมือนกันอารมณ์ของจิตมันไม่เที่ยงเกิดแกมีการเกิดดับเกิดดับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีสุขมีทุกข์มีสงบมีไม่สงบก็รู้ตามความเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางเหมือนกับปล่อยวางเวทนา เ, ออเราถึงจะเข้าสู่ขั้นธรรมได้ธรรมก็คือเราจะเห็นอริยสัจสี เห็นว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากที่จะไปยุ่งกับสิ่งต่างๆอยากไปยุ่งกับร่างกายอยากไปยุ่งกับเวทนาอยากไปยุ่งกับจิตมันเลยททำให้เราทุกข์เนี่ยมันถึงจะถึงขั้นธรรมนั้นได้อีกทีเนึ่งเรากำลังพูดถึงถ้าการศึกษาก็ระดับปริญญาเอกตอนนี้เราอยู่แค่ชั้นอนุบาลเรียนกอไก่ขอไข่ไปก่อนเถิดหัดพุทธโธให้ได้ก่อนเถอให้มีพุทธโธแล้วค่อยไปว่ากัน พุโทโธยังไม่มีทําใจให้สงบเป็นสมาธิไม่ได้แล้วจะไปทำอนุสติมันจะไปเรียนระดับปริญญาเอกได้ยังไงเมื่อยังเรียนกอไก่ขอไข่ไม่ได้ยังหัดเรียนกอไก่ขอไข่ให้มันอ่านออกเขียนได้ก่อนแล้วค่อยขึ้นสู่ชั้นปถมชั้นมัธยมชั้นปริญญาปีโทเอกขึ้นไปเนีย่ยถึงบอกว่าธรรมนี่มันเป็นมีขั้นมีตอนนี้เราเวลามาศึกษาเราศึกษามันทั้งหมดเลย ศึกษาทั้งตำราเลยตั้งแต่ขั้นอนุบาลถึงขั้นปริญญาเอกเลยแล้วเราก็อยากจะไปถึงขั้นปริญญาเอกเลยตั้งแต่เราเริ่มเริ่มทำมันก็ทำไม่ได้ไม่มีกำลังพอจะเข้าโรงเรียนก็จะขอไปเรียนระดับปริญญาเอกเลยก็บอกใจเย็นๆหนูมาท่องกอไก่ขอไข่ A B C นับหนึ่งสองสามก่อนแล้วค่อยไปเรียนอะไรต่างขั้นต่อไป อันนี้คือสติปัฏฐานสี่มันเป็นหลักสูตรของปริญญาตีตตโทเอกเนี่ย้เอาตั้งแต่ขั้นตีไปก่อนขั้นสติสติแล้วสมาธิแล้วค่อยมาขั้นปัญญาปัญญาก็ต้องขั้นร่างกายก่อนแล้วขั้นเวทนาแล้วขั้นจิตแล้วถึงจะไปถึงขั้นธําได้คำถามจากคุณโอเคค่ะหลวงพ่อครับนั่งสมาธิในปา่าคนเดียวผีจะรบกวนไหมครับ อ๋อผีมันจะรบกวนมันรบกนได้ทุกแห่งทุกคนอะ่ะมันไม่มีที่ไหนที่ผีไปไม่ได้ถ้ามันจะไปความจริงผีไม่ไม่มีผีที่มีผีที่หลอกก็คือผีในใจเราเนี่ยพออยู่ที่ไหนเปียกๆไหนออกมันออกมาเยอะแยะเลยเวลาไปอยู่ศูนย์การค้านี่ไม่เห็นผลงมาเลยที่ไหนคนเยอะๆนี่ผีกลัวพอถ้าอยู่ที่ไหนไม่มีคนนี่อยู่คนเดียวผีออกมาเต็มไปหมดเลยคําถามจากคุณบอย คุณบอยค่ะกราบเย่ำฐานพระอาจารย์ครับผมเป็นคนโมโหร้ายเวลาผมโกรธผมจะคุมตัวไม่ได้มันทําให้ใจเป็นทุกข์ขอวิธีแก้ไขด้วยครับฝึกสติไว้ให้มากๆค่ะมันท่องพุโทโธพุทโธไปเรื่อยเวลาเกิดความโกรธขึ้นมาก็พุโทโธพุทโธบริกรรมพุทโธให้มันถี่ยิบไปเลยอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธอย่าไปคิดถึงคนที่ทําให้เราโกรธเดี๋ยวมันก็สงบแล้วก็หายโกรธ แล้วความกลัวก็เช่นเดียวกันไปเจอผีนี่ก็รีดพุธโธพุดโธพุธโธโไปอย่าทรงใจไปหาผีให้อยู่กับพุดโธพุธโธเดี๋ยวใจสงบความกลัวผีก็หายไปผีก็หายไปผีมันเกิดจากความคิดของเราคิดถึงมันมันก็มาไม่คิดถึงมันมันก็ไม่มาค่ะคำถามจาก u t u b e l i ฟ e นะคะจากคุณโบโบแคนค่ะกราบเรียนถามค่ะการที่เราไปปฏิบัติธรรมแล้วเฝ้ารอให้จบคอรเร็ว หรือแม้แต่ตอนที่เราสวดมนต์นั่งสมาธิหรือโดนจงกรมในช่วงเวลาที่กําลังเข้าคอร์สปฏิบัติแล้วเราอยากให้หมดเวลาตอนนั้นเร็วๆถือว่าเราผิดมากไหมคะและจะแก้ไขให้ไม่มีความรู้สึกเหล่านั้นได้อย่างไรคะมันเป็นกิลเลสในความอยากพอเกิดความอยากใจก็ไม่สงบใจแทนที่จะไปปฏิบัติเพื่อทําใจให้สงบกลับไปทําให้ใจไม่สงบด้วยความอยากเนี่นเราก็ต้องบังคับใจว่าต้องอยู่ต่อไปอยู่กับเวลา อยู่กับการปฏิบัติวิธีจะคำคับใจก็ใช้สติบังคับมันใช้พุทโธพุทโธบังคับมันอย่าปล่อยให้มันคิดถึงเวลากี่โมงแล้วกี่ชั่วโมงแล้ววันที่เท่าไหร่แล้วจะกลับบ้านเมื่อไหร่ถ้าปล่อยให้มันคิดมันก็จะเกิดความอยากอยากจะกลับทันทีแต่ถ้าให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธไปมันก็จะลืมเรื่องของวันที่วันเวลามันก็จะไม่มีความอยากเกิดขึ้นมาดังนั้นไปนี่ต้องพยายามฝึกสติให้มากๆ ไม่งั้นเดี๋ยวบางทีอยู่ไม่ได้ตะบะแตกสินขาดขอลากลับบ้านก่อนเพราะความอยากพอคิดถึงบ้านคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้อยากจะไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็อยู่ต่อไปไม่ได้ก็ต้องขอลากลับไปแต่ถ้าควบคุมความคิดได้ให้พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆมันก็จะลืมเรื่องราวต่างๆมันก็จะอยู่ได้ค่ะคถามข้อต่อไปจากคุณลาวันค่ะเรียนท่านอาจารย์ จิตผู้รู้นั้นมีระดับเหมือนกับสติไมคะที่มีมากเกินร้อยไหมค้าออจิตผู้รู้นี่ไม่มีระดับดแต่สิ่งที่มีระดับก็คือสติปัญญาออตัวรู้นี่เหมือนกันหมดออแต่ว่าตัวรู้นี่ถูกออความหลงครอบงำอยู่จึงต้องใช้สติปัญญามาแก้ความหลงเพื่อให้จิตตัวรู้นี่จะได้ไม่หลงตางความหลง แต่สติปัญญามันก็มีหลายระดับอย่างที่สอนเมื่อกี้เนี่ยระดับธรรมดาระดับ อ, อริยะระดับร่างกายระดับเวทนาระดับจิตนี้เป็นระดับสติปัญญาที่ที่ต่างกันขึ้นไปต้องคอ่อยได้เรียนรู้เพิ่มพัฒนาขึ้นไปตามลำดับค่ะคำถามจากคุณพนีนุชค่ะเมื่อวันพฤหัสใจบาศและกรวดน้ำเสร็จแล้วเกิดอาการเย็นช่าที่กลางหน้าผาก เรียกว่าอาการอะไรคะปิติเกิดปิติสุขขึ้นมาจากผลบุญที่เราได้ทำไว้ตอนนี้คำถามหมดแล้วเนะเดี๋ยวรอให้ส่งคำถามเข้ามาก่อนใครฟังแล้วไม่เข้าใจอยากจะถามก็ได้นะมีคำถามว่าให้ให้ของเล่นเด็กบาปไหมครับก็ต้องดูเหตุผลว่าให้ทำไม เด็กถ้ามีของเล่นบ้างก็ก็ไม่เสียหายแต่ให้มากเกินไปก็ไม่ก็ไม่ดีคือมันต้องมีความเหมาะสมเด็กบางทีมันให้ของเล่นที่ทำให้เกิดปัญญาก็จะดีสอนให้เขาเพราะของเล่นบางอย่างนี้ทำให้เด็กต้องใช้ปัญญาใช้ความคิดใช้เหตุใช้ผลถ้าให้ของเล่นแบบนั้นมันก็ช่วยการส่งเสริมสติปัญญา ให้ของเล่นแบบส่งเสริมความอยากกิเลสตัณหาก็ไม่ควรเช่นให้ตุ๊กตาสวยๆแล้วก็ให้เด็กแต่งเนื้อแต่งตัวให้ตุ๊กตามันก็จะทําให้เกิดกิเลสอยากสวยอยากงามขึ้นมาตัวเองก็อยากอยากสวยอยากงามพอโตขึ้นก็อยากจะซื้อของสวยๆงามงามมาใส่เหมือนตอนที่เล่นกับตุ๊กตาตอนเด็กๆเนี่ย ควรจะเอาของเล่นที่ใช้ปัญญาเช่นพัศลของที่ครอสอะไรของพวกนี้ให้เด็กต้องใช้สติใช้ปัญญาคิดว่าจะเอาเอาไ อ, ไอชิ้นต่างๆเหล่านี้มารวมกันให้เป็น เ, เป็นผืนเป็นแผ่นอันเดียวกันได้อย่างไรอันนี้ก็ต้องใช้ปัญญาเพราะว่าแต่ละชิ้นมันมีขนาดไม่เท่ากันมีรูปลักษณะไม่เท่ากันอย่างนี้ถ้าจะให้ของเล่นควรจะให้ของเล่นที่เสริมสติปัญญา อย่าให้ของเล่นที่เสริมความความหลงความรักความสวยความงามความอยากล่ามอยากรวยหรืออะไรทานองนี้อย่าไปส่งเสริมความของเล่นแบบนั้นหรือของเล่นที่ส่งเสริมความรุนแรงซื้อปืนมาให้ยิงกันซื้อระเบิดมาให้เล่นกันอะไรทำนองเนี้ของเล่นมันก็มีส่วนที่สอนเด็กสอนเด็กให้ให้ฉลาดก็ได้สอนเด็กให้หลงก็ได้สอนเด็กให้มีความรุนแรงก็ได้ มีความโหดล้ายทารุนก็ได้ยังก็ต้องรู้จักชื่อของเล่นให้เด็กซื้อของเล่นที่ทําให้เด็กนี่ฉลาดสอนให้เด็กเป็นคนมีความเมตตามีความเมตตากรุณาอย่างนี้ก็เราต้องพิจารณาดูค่ะค่ะถามข้อต่อไปค่ะนั่งสมาธิแล้วเคยนั่งจิตนิ่งได้ค่ะ แต่หลังๆนั่งแล้วไม่นิ่งเลยถือว่าปฏิบัติถอยหลังลงไหมคะถ้าไม่นิ่งก็ไม่ได้ผลที่ไม่ได้ผลเพราะว่าสติมันไม่มีอยู่กับเนื้อกับตัวใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่มีสตินั่งแล้วคิดมันก็เลยไม่นิ่งถ้าจะนั่งให้มันนิ่งต้องมีสติกำกับใจเช่นมีพุโทโธพุธโทโธไปหรือมีการดูลมหายใจเข้าออกไปก็ลองย้อนไปดูตอนที่เรานั่งนิ่งมันนิ่งอย่างไรก็ลองเอาวิธีนั้นกลับมาใหม่อืม คำถามจากคุณพัดพง์เวลาฝึกสติบ่อยๆในชีวิตประจำวันแล้วรู้สึกว่าเป็นคนทำอะไรช้าลงคิดช้าไม่ค่อยทันคนรู้สึกมีอุปสรรคในการทำงานขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์ด้วยครับความจริงไม่ไมการฝึกสติไม่ได้ทำให้ความคิดช้าหรอกความคิดฝึกสติเป็นการควบคุมความคิดเราสามารถควบคุมความคิดให้คิดช้าก็ได้ให้คิดเร็วก็ได้ ถ้าคิดช้าก็มันไม่ใช่เรื่องผลที่เกิดจากการฝึกสติมันเป็นเรื่องของการที่เราคิดช้าเองคิดไม่เป็นมันก็คิดช้าไปค่ะคําถามจากคุณทานค่ะถวายหมวกกันหนาวพระพระสวมใส่ท่านจะอาบัติไหมครับไม่หรอกก็เห็นสวมใส่กันถึกเวลามันหนาวๆท่านก็สวมใสนอกจากว่าเวลาที่ท่านไปสู่ที่ชุมชนท่านมักจะถอดออกเพราะว่ า, าโดยมารยาท โดยความเหมาะสมของพระเวลาไปต่อหน้าสาธารนณะก็จะไม่สวมใส่อะไรใส่แต่แค่จีวรเท่านั้นเองค่ะคำถามจากคุณอภิเชษค่ะเรียนถามฝึกสตินานแค่ไหนถึงจุดไหนถึงจะเรียกว่าฝึกจนได้สติค่ะก็จฝึกจะนั่งจิตนั่งสงบนะนั่งสมาธิแล้วจิตสงบคะคำถามข้อต่อไปจากคุณโกพงค่ะ ความเหงาอยู่อยู่ในอะไรในขันห้าเจ้าคะหรือเป็นนิวรเจ้าคะเป็นความอยากเนี่ยเป็นผลที่เกิดจากความอยากเป็นอารมณ์เป็นธรรมารมเวลาอยากมีเพื่อนอยากไปหาเพื่อนแล้วไม่ได้ไปต้องอยู่คนเดียวก็เหงาเศร้าซร้อยเหง า, ว, าว่าเอวใจหิวนะใจอยากไล่รูปเสียงกลิ่นรสพอไม่ได้เสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสของคนนั่นคนนี้ก็เลยเหงาขึ้นมาจึงต้องหาของหาแก้เหงาอยู่เรื่อย ตอนนี้ก็เมีมือถือแก้งเหงากันเวลาอยู่คนเดียวก็เปิดมือถือไลน์กันดูนู่นดูนี่กันแต่ถ้าเกิดมือถือเสียนิ่ทีก็จะเหงาลเพราะไม่สามารถที่จะติดต่อกับใครได้ค่ะคำถามข้อต่อไปจากคุณทวิชาความกโกรธความไม่พอใจเท่ากับเราละวางไม่ได้ใช่ไหมคะใช่เราควบคุมใจเราไม่ได้ก็จากความอยากของเรา อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะเขาไม่เป็นเราก็โกรธเขาอยากให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ให้เราพอเขาไม่ทำให้เราเราก็โกรธเขาเนี่ยเราต้องมาลดความอยากลงอย่าไปอยากได้อะไรจากใครแล้วเราจะไม่โกรธใคร yeah. ค่ะคำถามข้อต่อไปจากคุณถ้วยฟูเวลานั่งฟังเทศเห็นบางคนนั่งหลับตาภาวนาพระอาจารย์มีเทคนิคในการฟังเทศไหมครับ อ, อ๋อถ้าฟังเทศก็ต้องตั้งใจฟัง ไม่อย่านั่งฟังเทศแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปเรือดูลมไปเพราะว่ามันเป็นคนมันเป็นการทำงานสองอย่าง mm hmm. การดูลมนี้มันก็จะทำให้เราไม่ได้ฟังเทศการที่เราพุโทโธเราก็จะไม่ได้ฟังเทศนนเวลาฟังเทศนี้เราต้องฟังเทศเราอย่าไปดูลมอย่าไปพุโทโธไม่เะ่นนั้นแล้วเราก็จะหนึ่งอาจจะหนึ่งอาจจะทาให้ใจไม่สงบเพราะมันชนกัน เราก็พูดโตเสียงธรรมก็เข้ามามันก็จะลบกวนกันาการฟังเทศน์นี่เราต้องการฟังเพื่อให้เกิดปัญญาฟังให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนี้มีอะไรเขาพูดอะไรถึงเรื่องอะไรก็ต้องมีสติฟังอยู่กับการฟังเทศน์อย่างเดียวแล้วถ้าเราฟังแล้วเราพิจารณาตามได้เราก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นเลเรียกว่าปัญญาสัมมาทิฏฐิ แล้วก็จะทาให้ใจเราสงบได้เหมือนกันนการฟังเทศฟังธรรมไม่ต้องไปพุโทโธไม่ต้องดูลมหายใจให้มีสติกับเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสถ้าพิจารณาได้ก็พิจารณาไปก็จะได้ปัญญาถ้าพิจารณาไม่ได้ก็ฟังเสียงไปเรื่อยแทนพุโทโธแทนลมแล้วก็จะทาให้ใจสงบได้เหมือนกันคำถามข้อต่อไปจากคุณนันทชพรค่ะ เรียนถามพระอาจารย์สามีภรรยาแยกกันอยู่แต่ยังไม่ได้หย่าหากมีคนใหม่ถือว่าผิดศีลไหมเจ้าคะก็อยู่ที่สามีภรรยาจะตกลงกันไว้อย่างไรถ้าตกลงว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเนะี่ยคนอยากจะไปนอนกับใครก็โอเคมันก็ไม่ผิดศีลเพราะว่าการถือศีลคราวนี้เพื่อไม่ให้เกิดการทะเลาะวิวาดเกิดความบาดหมางใจการเกิดความโกรธเกลียดกันนั่นเอง ถ้าถ้ายังเป็นสามีภรรยาอยู่เขาก็จะหวังให้เราซื่อสัตว์ต่อเราพอก็ไปยุ่งกับคนอื่นมันก็จะทําให้เราเสียใจทําให้เราโกรธได้แต่ถ้าเราได้รู้ล่วงหน้าแล้วว่าตอนนี้เราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วเพียงแต่ว่าทางกฎหมายหรือทางสังคมยังบังคับให้เราเป็นสามีภรรยากันอยู่แต่ทางจิตใจทางปฏิบัตินี้เราถือว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วเราไม่ได้เป็นคู่ไม่ได้เป็นของกันและกันแล้ว ถ้าอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าผิดศีลเพราะว่ามันไม่ได้ถือว่าเป็นพระสามีภรรยากันแล้วค่ะคำถามข้อต่อไปจากคุณปียนุชค่ะเรียนถามว่าตอนสวดมนต์กับหนังสือสวดมนต์ในบางบทสวดปรากฏแสงสีในบทสวดเราควรวางเฉยและสวดต่อไปทําเช่นนี้ถูกไหมคะหรือควรแก้ไขยอย่างไรขอบพระคุณค่ะ อ, อ๋อก็สวดไปเราต้องงานสวดเพื่อให้ใจสงบ มีอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับการสวดไปค่ะคําถามข้อต่อไปค่ะจากคุณแมวพระอาจารย์คะหนูคิดว่าหนูให้อภัยกับคนที่โกงเงินหนูได้แล้วแต่หนูไม่อยากให้เขารู้ว่าหนูอภัยให้แล้วหนูจะให้อภัยเขาได้จริงหรือเปล่าคะเออแล้วก็อยู่ในใจเราถ้าไม่มีความรู้สึกอะไรกับเขาแล้วก็แสดงว่าเราให้อภัยเขาแล้ว ถ้าเราไม่โกรธเกลียดเขาถ้าเราไม่เคยคิดอยากจะได้เงินคืนจากเขาแล้<ม>แลวก็ถือว่าเราให้อภัยเขาแล้วเราก็ไม่ต้องไปบอกเขาก็ได้พอบอกเขาแล้วอาจจะทำให้เขาเสียเสียนิสัยพะเขารู้ว่าเร า, เาให้อภัยเขาเดี๋ยวเขาก็จะอ า, อาจจะทำซ้ำอีกก็ได้ดังนั้นเราก็อย่าไปต้องไม่ต้องไปบอกเขาก็ได้แล้วก็อย่าไปให้เขายืมเงินอีก คำถามข้อต่อไปจากคุณโกพงค่ะการเตรียมตัวบวชชีในอนาคตตอนนี้เราต้องเตรียมใจเตรียมตัวอย่างไรเจ้าคะก็ต้องฝึกศีลแปดให้ได้แล้วฝึกนั่งสมาธิฝึกเดินจงกรมฝึกเจริญสติให้ได้นั่งสมาธิให้เป็นพอเราทำได้แล้วทีนี้ก็ไปหาวัดก็ไปหาที่ที่อยู่ต่อไปที่ไหนจะเหมาะสมกับเราเราก็ไปหาที่เหล่านั้นพอเราได้ที่แล้วเราก็ไปบวชได้ไปอยู่ได้ค่ะ คำถามจากคุณจงสีนีค่ะกราบนมัศการพระอาจารย์ค่ะฟังเทศบ่อยๆจนบางครั้งสามารถอ่านนิสัยใจคอของคนรอบข้างระได้ถือว่าเป็นปัญญาขึ้นในระดับหนึ่งไหมคะเป็นเราพอเราจะได้รู้นิสัยของคนเพราะธรรมนี้จะแสดงเรื่องนิสยัยเรื่องโลภโกรธหลงของคนเมื่อก่อนเราจะไม่ได้ดูคนในลักษณะนี้เราจะดูว่าเขาสวยหรือไม่สวยเขารวยหรือไม่รวยเขาเก่งหรือไม่เก่ง แต่เราจะไม่ได้ไปดูที่ใจของเขาว่าใจเขามีศีลมีธรรมหรือเปล่าอมีปัญญาหรือเปล่ามีความสงบหรือมีความโลภมีความวุ่นโลภโมโทสันหรือเปล่าเราจะไม่ได้มองเราก็เลยไม่รู้อย่างเดียวนี้พอเราได้ศึกษาทรรแล้วเราก็จะรู้ว่าคนเหล่านี้นอกจากมีความโู้ความมีความรวยมีความสวยมีอะไรแล้วมันยังมีอย่างอื่นที่เรามองไม่เห็นกัน คำถามจากคุณปนัดดาค่ะทำอย่างไรจะนั่งสมาธิได้นานสามชั่วโมงคะก็นั่งไปเรื่อยๆเอย่าไปลุกสลยถ้ายังไม่ถึงเวลาก็อย่าไปลุกคุณ่ะคำถามจากคุณกุ้งค่ะนั่งสมาธิแล้วเกิดนิวรณ์ครับเรียนพระอาจารย์ขอแนะนําด้วยครับก็ต้องแก้นิวรณ์นิวรณ์ตัวไหนเกิดก็ต้องแก้เหมือนถ้ามันง่วงนอนก็ต้องแก้เช่นไปนั่งในที่ในที่น่ากลัวไปนั่งในป่าช้า ถ้าไปนั่งป่าช้าไม่ได้ก็ลองงดอาหารอดอาหารดูมันก็จะไม่ง่วงนอนคะคำถามจากคุณสาวนีค่ะตอนนั่งสมาธิเกิดรู้สึกเบาเบานิ่งสบายนั่นคือสงบใช่ไหมคะก็มีสงบหลายระดับอาจจะยังสงบขั้นต้นอยู่ยังไม่ถึงขั้นขั้นลึกขั้นที่ทำให้เรามีเกิดมีเกิดฉันทะวิริยะขึ้นมา ถ้าอยากจะให้มันเกิดในขั้นอิทธิบาทสีนี้จิตต้องรวมเป็นหนึ่งแล้วก็จะพบกับความสุขที่มหัศจรรย์ใจที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนแล้วมันจะทำให้เราเกิดมีความยินดีที่จะปฏิบัติให้มากขึ้นไปคำถามจากคุณลาวันค่ะจิตผู้รู้นั้นจะปรุงแต่งทางธรรมได้ไหมคะได้แต่ส่วนใหญ่ถ้าเราไม่สอนมันมันจะปรุงแต่งไปในทางปิเลต ว่าจิตของโมฆเรานี้ถูกกิเลสคุมเป็นผู้บงการอาวิชชาเป็นกิเลสเจ้าเจ้านายหัวหน้าของกิเลสก็คืออวิชชามันจะบงการความคิดปรุงแต่งให้เราปรุงไปในทางราภทำโลภโกรธหลงทำให้เราโลภอยากได้ราภยศสรรเสริญพอไม่ได้ก็ทำให้เราโกรธนี่นั้นเราจึงต้องมาสร้างธรรมะขึ้นมาเพื่อให้ ให้ธรรมะบงการให้มันคิดไปในทางธรรมเราก็ต้องสร้างธรรมะด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติธรรมพอเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมต่อไปธรรมก็จะมาบงการจิตใจเรามันก็อยาให้เราคิดไปในการทำบุญทำทานคิดไปในการรักษาศีลคิดไปในการปล่อยวางคิดไปในทางเจริญสติสมาธิปัญญาคาถามจากอินบ็อก์ค่ะจากคุณสุขใจ เออเนื่องจากข้อความยาวขอเนี้อสรุปนะคะ อ, อ่าสั้นๆเอาประเด็นขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะคุณแม่หนูเป็นห่วงอยากให้ลูกๆแต่างงานเพราะกลัวว่าแก่แล้วจะไม่มีคนดูแลแต่หนูมองว่าแต่างงานไม่ใช่ทางออกเข้าหาธรรมะดีกว่าออและมีเป้าหมายในทางธรรมไม่ใช่ทางโลกถูกต้องเพราะว่าคนเรานี่ไม่แน่นอะแต่างงานแล้วแทนที่จะมาดูแลเราอาจจะมาเป็นเหลือบมาดูดกินเราก็ได้ แทนแทนที่จะมาช่วยเรากลับจะมาให้เราต้องช่วยเขาก็ได้เกิดแต่งงานแล้วเกิดเขาเป็นเอามาเพิ่มกรรมภาพาขึ้นมาจะทําทยัางไงจะทิ้งเขาก็จะหาว่าโหดร้ายทารุณใช่ไหมยั้นคนเราไม่แน่หรอกเอาสิ่งที่น่าดีกว่าหาเงินดีกว่าหรือหาธรรมะดีกว่าอทําเงินนี้มันยังไม่ทรยศกับเราเออเพียงแต่ว่ามันอาจจะหมดได้ถ้าเราไม่รู้จักรักษามันแต่ถ้าได้ทำแล้วยิ่งดีใหญ่ ทำนี้จะไม่มีวันหมดไม่มีวันท้ละยศกับเราแต่ถ้าหายังหาทำไม่ได้ก็หาเงินไว้ก่อนแต่อย่าไปหาคนในในเรื่องในสิ่งสามอย่างนี้สิ่งที่แย่ที่สุดก็คือคนลองลงมาก็คือเงินลองลงมาก็คือทำถ้าเรายังหาหาทำไม่ได้ก็หาเงินดีกว่าอย่าไปหาคนหาคนแล้วเดี๋ยวจะน้ำตาตกใน เวลาเขาเปลี่ยนไปหรือเวลาเขาเป็นอะไรไปออแล้วเขาก็สอบถามเรื่องที่เขาจะพูดกับคุณแม่ยังไงดีเรื่องแต่างงานนะคะก็นี่ยไงบอกไงบอกแม่แต่างงานกับคนมันไม่แน่นะแม่เดี๋ยวเกิดเขาเปนากก็นมาเพื่อกำมาพาขึ้นมาแล้วจะทําังไงแทนที่เขาจะมาเลี้ยงหนูหนูต้องไปเลี้ยงเขาอีกค่ะคำถามตอ น, นคําถามหมดค่ะเ อ, อเหลือสี่ห้านาที คำถามข้อต่อไปนะคะนั่งสมาธิได้แค่มีสติ ต, ตามรู้ลมหายใจเข้าออกแต่จิตไม่รวมไม่นิ่งแบบนี้ผิดทางไหมคะไ ม, ไม่ควรจะตามรู้ลมนะควรจะดูลมที่จุดเดียวอย่าตามลมเข้าไปอย่าตามลมออกมาให้ดูตรงจุดที่ปลายจมกูกหรือที่หน้า อ, อกที่ปลายจมกูกลมเข้ามันจะได้สัมผัสที่ปลายจมกูกจะรู้ว่าตอนนี้ลมกาลังเข้าตอนนี้ลมกาลังออก เลือที่หน้าอกก็ดูว่ามันเวลาเข้ามันก็จะพองขึ้นมาเวลาออกมันก็จะยุบเนี่ยเขาที่เรียกว่ายุบหนอพองเนอก็ดูที่หน้าอกถ้าดูที่ปลายจมูกก็ดูว่ามันเข้ามันออกแต่อย่าตามนมเข้าไปอย่าตามนมออกมาถ้าตามแล้วมันจะไม่นิ่งให้อยู่จุดเดียวคำถามจากคุณเจี๊ยบค่ะถ้าอยากให้แม่ปล่อยวางได้ในทุกๆเรื่อง จะบอกกับแม่อย่างไรดีคะเพราะแม่เป็นคนที่พูดอะไรด้วยไม่ได้เลยค่ะอ๋อเราปล่อยวางให้ได้ก่อนเถอะปล่อยวางแม่ให้ได้ก่อนะถ้ายังปล่อยวางแม่ไม่ได้อย่าไปอยากปล่อยว่าให้แม่ปล่อยวางเลยถ้าเราเองปล่อยไม่ได้เราจะไปอยากให้คนอื่นก็ปล่อยได้ยังไงมันง่ายที่ไหนถ้าอยากจะรู้ว่ามันง่ายก็ลองทําตัวเองก่อนทําตัวเองให้ปล่อยให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปทำให้คนอื่นปล่อยอย่างพระพุทธเจ้าท่านตามตัวของท่านให้ปล่อยให้ได้ก่อน พอท่านทาตัวท่านปล่อยได้แล้วท่านก็มาสอนคนอื่นให้ปล่อยพอคนอื่นเห็นว่าท่านทําได้แล้วเขาก็ทําตามท่านเองถ้าเราปล่อยได้เดี๋ยวแม่เขาก็ปล่อยเองที่แม่ไม่ปล่อยเพราะเราไม่ปล่อยอพอกันคําถามข้อต่อไปค่ะวิธีล้างบาปต้องทําอย่างไรครับออ่ล้างบาปไม่ได้ล่ะบาปทําไปแล้วก็ต้องรอรับผลบาปเท่านั้นเองวิธีที่จะล้างบาปก็ต้องล้างแบบล้างบาปบาปที่เรายังไม่ทำํำ ถ้าเราไม่ทําบาปใหม่ก็เท่ากับเราได้ล้างบาปใหม่อย่าไปทําบาปใหม่บาปเก่านี้ล้างไม่ได้บาปเก่าก็ต้องรอให้มันล้างด้วยตัวมันเองให้มันโผกขึ้นมาให้มันส่งผลพอมันส่งผลแล้วบาปนะั้นมันก็จะหมดไปมีอกไหมอ่าหมดพอดีมีใครอยากจะถามอีกไหมไม่มีก็เวลาหมดพอดีนะเดี๋ยวเลิกร้อยห้ามเข้ามาถามนะอ่าก็พอสมควรแก่เวลา